กเดินทางไปช่างวหวนสุรินทร์สวนจันลมก็พูดธรรมบัญัต ก, กันหนึ่งหลังทาวัตเช้ามันด่วนจริงๆด่วนมากๆการบอกต่อกันในสิ่งที่มันมีอยู่จริงแสดงออกในว่ารูปทำนามทำ ร่างกายจิตใจถ้าไม่รู้จักมันก็แน่นอนหมจะคือก้อนทุกข์ดีๆมีชีวิตอยู่แบบศรรซ้อนเลยก็ว่าได้มันจะไม่รู้เลยละหน้าที่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้ามันทำแล้วเป็นธรรมะอย่างไร เราไม่รู้จักเราก็จะอยู่นหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าอย่างทุกทําอะไรก็ทุกผู้ชายทุกแบบผู้ชายผู้หญิงทุกแบบผู้หญิงเด็กทุกแบบเด็ก <Okay. S 1> นักเรียนจะทุกแบบนักเรียน <Okay. S 1> เรียนไปทุกไปคนทํางานก็ทุกแบบคนทํางาน ทำงานอาชีพอะไรก็ทุกแบบอาชีพแบบอาชีพนั้นๆคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า <c oughs> ลามเป็นมนุษย์ร <c oughs> ูปขันเป็นมนุษย์ <c oughs> ตาสองตาจมูกสองโลศีตะ <c oughs> ตั้งบนคอบนบ่าเหมือนเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ไม่เหมือนกันเอามาเป็นความ นั่งก็โอ้ยเดินก็โอ้ยทำอะไรก็โอ้ยไม่ไหวอ่อนแอเปลอา บ, บางบางทีทำวัดนี่โอ้ยเลยนะมาวันแรกๆหรือว่าบวชใหม่ๆนี่นั่งทับซ้อนตัเองนะโอ้ยไม่ไหวมันอ่อนแอขนาดนั้นเยอะแหละหรือแค่คองสังขติในลำพันลูกบวบ แค่มือจับผ้าพัานพันพันลูกบอลนอกแขนมันก็ไม่ไหวนะโอ้ยนมันไม่นึกไม่ฝันเลยแค่พันผ้านเนี่ยกล้ามแขนไม่มีกำลังมันเห็นในขนาดนั้ น, นทำไมมันอ่อนแอทำไมเปาะบางเอามาเป็นความทุกข์แทนที่จะใช้เกิดประโยชน์ก่อประโยชน์ทำงานทำการงานมันเต็มโลกเลยงานที่จะต้องทำเพื่อสันที่สุขสันทิภาพ เพื่อความสะดวกเป็นไปเพื่อนคนหมู่มากมันเยอะแต่บางอาจจะไม่ได้เงินไม่ได้ทองบางทีเราทําเราก็คิดไปแล้วว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งก็ดูกแขวนคอสําหรับคนที่นะทําหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าก็จะเห็นว่าหยิบกายมาใช้หยิบวาจามาใช้หยิบจิตใจมาใช้ เราใช้มันมันจะมันใช้เรากลงคืนนอนเราก็ใช้ให้มันพักให้มันนอนแต่ถ้าไม่รู้จักมันมันก็จะไปนอนหรอกแวเวลานอนก็นอนไม่หลับทต่งลกินก็กินไม่ได้อันนี้แหละเรียกว่าขาดทุนมีรูปไม่รู้จั ก, กรูปมีนามมีจิตมีใจไม่รู้จักนามจึงมาทำความรู้จักด้วยกัน ปฏิบัติธรรมในรูปแบบการยกมือสร้างจังวะเพื่อให้รู้จักตัวเองรู้จักร่างกายรูปธรรมรู้จักจิตใจนามธรรมจิตใจมันมีพบมีภูมิตาเนี้อมันก็พบวัตถุอาการกิริยามันก็พบเห็นเป็นวัตถุแต่จิตใจมันเห็นมันไม่ได้เห็นเป็น วัตถุอย่างเดียวมันมีความพอใจไม่พอใจมันมีอารมณ์เข้ามาด้วยมันเป็นพบเป็นชาติร่างเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์เปโตอยากไม่หยุดเท่าไห่ก็ไม่พอวัตตูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด บุคคลก็1 2ึ่งสองสามสถานที่ที่อยู่ก็น1 2, นสไม่รู้จะอยู่ตรงไหนอยู่เป็นสุขเป็นสุขเป็นสุข4ห้กแอะไรกันแล้วแต่ลราเลือกอยู่ตรงไหนจำเจมก็อยู่ไม่ได้มันเบื่อมันมีพบแบบนั้นบันทีก็ขวางแหลกเดรัฉานอาคติมันไม่ใช่คติ มันไม่สุขติมันเป็นอกติมันเป็นทุขติทุกตทุกฐานั่งให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมันมองเห็นคนไม่ใช่คนคนนั้นก็หาใช่คนไม่มองเห็นคนไม่มีธรรมะคนนั้นก็หามีธรรมะไม่มันมองอย่างไรมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราทางนั้นใจของเรามีความเบื่อ มันมองไปไหนมันก็เบื่อมันั่นแหละจะทำงานทำการก็หยิบย่งขึ้นมาเลยจะรำจะเรียนก็เลือกไม่ได้จะเรียนอะไรจะเรียนที่ไหนโรงเรียนไหนเดือนนี้มีเด็กเป็นอย่างนี้กันเยอะนะพอไปอยู่ก็เข้าสังคมได้ยากครับเพราะมันไม่รู้จักตัวเองประเภทนี้นานๆไปก็จะอยู่กับตัวเองได้ยากออกเหมือนกัน เพราะล่างเป็นมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์เด so ี๋ยวก็หาเรื like ่องไปตายหาเรื่องทำเองเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนเวลาเราเจริญสติเราก็จะเห็นเลยใจมันไม่อยู่สุขพบโผลมันเยอะบางทีก็เป็นอสุรกายขี้กาตาขาวกลางคืนจะนอนที่กุดกระเปิดไฟทิ้งไว้กลัวผีกลัวสัตว์ซ่าลาสิง และนันนี้จิตอาสุรกายแต่เราคิดเป็นเราก็อย่างน้อยก็ช่วยประหยัดไฟช่วยชาติช่วยโลกพลังงานของโลกสิ้นเปลืองจริงๆเราก็จึงไม่เปิดไฟไว้ตามกุฏีเด็ดกาดเคยมีการประชุมเหมือนกันว่าทำแบบสวนโมกได้ไหมสามทุ่มสับคัดเอาเลยปิดสวิตช์เลยมีแย้งกัน ภาบางรูปเล่นอ mm ินเทอร์เน็ตบางรูปคืนไม่รู้ทำอะไรจะเปิดไฟทำอะไรก็ mm hmm. ต้องปิด mm hmm. ปิดเพื่อให้มันเหมือนกับว่า mm hmm. ช่วยกันบางทีก็ลืมบ้างเล็ก น, น้อยอันนั้นไม่ว่ากันขอมาลืมกันได้บางทีเร่งเร่งด่วนๆไปก็รีบ mm hmm. ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา mm hmm. ทั้งน้ำทั้งไป บางทีจิตของเราก็มีเมตตาเป็นพรมขึ้นมาเห็นอะไรก็อยากช่วยเหลือเห็นเขาทุกข์ก็อยากช่วยเหลือกรุณาแม่กับลูกเียมันเป็นจริงๆพระกับโยมเนี่ยเป็นจริงๆคนมีตะตางมันก็อยากแบ่งปันอยากให้อยากช่วยอยากเหลือทำแล้วมีความสุข สุขโดยไม่ประมาณอัปปัญญาลางเป็นมโนใจใจเป็นพรหมหน้าตากระพ่องใสนะมีน้ามีนวลขนขวายในกิจที่ควรทำนะเป็นเทวดาขยันะกันแข็งอายชั่วกลวัวบาปต่างๆก้นชื่อว่าไม่ดีไม่แตะเลยนะกฎกติการะเบียบ ว, วินัยของชุมชนกฎนะหมายบ้านเมือง กรรีประเพณีวัฒนธรรมจริยธรรมคุณธรรมศิลธรรมต่างๆเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความงดงามขึ้นมาทั้งภายในและภายนอกเป็นความสมดุลเป็นความสมบูรณ์แบบกลมเกลื่อนการพัฒนาที่ดีที่สุดคือการกลมเกลื่อนแม้เอาตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้ไปเปลี่ยนเอาเหตุปัจจัยเป็นตัวตั้ง เอาความคิดของคนอื่นเป็นตัวตั้งแล้วเราทําได้แล้วก็ทําไปอันนี้เป็นตัวพัฒนาที่ยั่งยืนมากแล้วก็เกิดการไม่เบียดเบียนเพอยงไม่เบียดเบียนผู้อื่นขึ้นมาเป็นพระมีความฉลาดทำอะไรมันไม่ได้ติดตีมันวางเรามีกายระวางกายเป็นจากรูปแบบสิบสี่ใไหมรู้แล้วว่ากายอย่างไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็พร้อม มันรู้ไว้ล่วงหน้าแล้วนคนอื่นก็มีคนแก่เราก็เห็นก็อยู่อายุน้อยกว่าก็ค่เหี่ยวก็ย่น ก, ก็หมดกําลังความสวยงามก็หายไปเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็เลยไม่ลงมาดูแลอะไรกันมากมายเป็นแค่ลักษณะของซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตดูแลรักษาทําความสะอาด มันก็จะเกิดความงามอย่างธรรมชาติขึ้นมางามจากภายในมีน้ามีนวลมีลาสีลักษณะดูเป็นธรรมชาติดูแล้วนุ่มนวลสบายหูสบายตาทำมาม่อยจัดสรรให้แบบนั้นวาจาร้อนโยนนุ่มนวลแสดงออกไปจิตมันดีบาจามันก็เหมาะกาลเทศถานะฐานะ พูดกับคนพาลอย่างไงพูดกับบัณฑิตอย่างไรบางทีบัณฑิตก็ทําตัวเป็นคนพาณที่คนพาณทําตัวเป็นบัณฑิตคนพาณิชย์มานิยของคนมีศีลคนมีศีลมานิยมคนพาณแสดงออ ก, พกเพื่อเอาตัวรอดเราก็เห็นในความรู้สึกตัวมันก็เหมาะกับการทําหน้าที่แต่ละคณะนะแต่ละคณะนะแต่ละคณะนะ ถุหนึ่งสองสาต้นไม้ใบหญ้าสาลาสิ่งนะบุค 1, 2, คลหนึ่งสอสาก้อนหินเม็ดดินเม็ดทร า, ายสายลมแสงแดดต่างๆมันจะเกี่ยวข้องไปนะเกิดการเบียดเบียนเพลงน้อยที่สุดเบียดเบียนพื้นน้อยที่สุดนะเห็นได้จากการเดินตรงกลมจากการยกมือ14บสี่ชั่ววันนี่แหละนะมันเห็นอาการข้างในของเรานะเป็นพบเป็นชาตินะเกิดดับเกิดดับเกิดดับ โดยเฉาะเรื่องจิตเนี่ยโหอันดับหนึ่งเลยจะอยู่ที่ไหนก็ตามเก่งมากจิตมันมีบนมันมีบาปอยู่มันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่มันมีคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาในจิตวิธีคิดโดยเฉพาะวิธีคิดของเราเนี่ยโหมันเหนือชั้นจริงๆ ความรักเปลี่ยนเป็นความร้ายก็ได้ความร้ายเปลี่ยนเป็นความรักก็ได้ถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกก็ได้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเมตฌาทิฏฐิเห็นถูกเห็นไม่ถูกแล้วก็มีพลังซะด้วยพลังจิตกําลังจิตนิพสูจน์ได้นะมันมีจริงๆอย่างเช่นควริสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มิวเซียม พิ พ, ธพิธภัณฑ์สถานแน่งชาติพูดถึงเรื่องมนุษย์ human มนุษย์มนุษย์นี่มีพลังจริงๆมนุษย์นี่ม่จะมีมานะมีทิฐิมีชั้นชั้นชั้นต่ำชนชั้นสูง ช, ชั้นกลาง <'re> ถ้าเป็นอินเดียก็มี ชนชั้นวันเน้นะกษตรย์พามณแพทย์สูตรกนะันทานจะดูยังไงใครเป็นกษัตรย์ใครเป็นพราหมใครเป็นแพทย์เป็นสูตรเนะี่ยดูได้จากลักษณะเลยเกษตรนักรบพวกนี้จะหน้าแดงนะมีฤทธิ์เยอะนะต้องใช้กําลังใช้เลือดลมฉีดนะพวกนักบวชนะพวกพราหมณ์น่าจะขาว ลวนลมลนลมไม่ค่อยเดินนะไม mm ัน hmm. ก็ได้ออกกำลังกายกันจิตนิ่งๆเงียบๆสิสิสเพลกเนี้ mm hmm. ดูได้ mm hmm. พวกพ่อค้าเป็นไงพวกนี้จะผิวทองเป็นเหลืองเหลืองทองว่าดูแลบำรุงบําเบอตัวเองอย่างดีอา mm hmm. หาร mm hmm. การกิน mm hmm. การใช้ชีวิตนี่ไม่ขาด mm hmm. ไม่แคลนปัจจัยสี่ พวกนี้จะออกโทนเหลืองไม่ขาวแล้วก็ไม่แดงเพราะจะมีเลือนลมมีหนังตึงราสีลักษณะมีฤทธิ์ลักษณะอย่างในเนี้ยถ้าคนมีฤทธิ์มาก็ดูไม่ยากแป๊บๆป๊ไอ้ น, นั่นไอ้นี่เปลี่ยนไปเลยเห็ น, หนง่ายง่ายมีฤทธิ์เยอะเขาบอกว่าลำบากจะขับเคลื่อนตัวเังจากบ้านมาที่เนี้ยเขาบอกว่าลำบากกันแต่คนมีฤทธิ์เนี่ไม่เลย เขาไปไหนก็บอกรถติดกันแต่คนมีลิ์นม่ไหม่เลยนะก็มีปัญญาพออันแค่เลยเลยนสงการไปไหนมาไหนรถติดกันจากกรุงเทพมาชัยภูมิมาเป็นวันเป็นคืนอยู่แล้วแต่คนมีลิ์ก็มาอยู่นี่ก็บอกเนี่ยเขาออกเวลานี้ละตีสี่เวลาทําวัดเนี่ยก็ขับพอไปสักพักนึงไม่กี่ชั่วโมงอ่ะสี่ห้าชั่วโมงก็โทรมาบอกก็ถึงงเทพแล้วครับ แล้วนานะคนมีฤทธ์เนยก็รูนะร้ จ, จกนะักอะไรเป็นอะไรก็ทำได้อยู่นะเกิดความสะดวกน้ำไหลหไฟสว่างนะคนมีฤทธิ์อันนี้ก็คือแลวหนังพ่อค้ามีเงินมีทองใช้วัตถุทองทาบุญใช้บริวาลลูกน้องโดนบันดาลได้พวกนีนะ้พวกสูตรพวกนี้นี่นดำปีเลยนะหมายถึงที่อินเดียนะไม่ค่อยจะมีอยู่มีกินก็หรอกนะเคยไปเห็นมาแล้วพวกนี้ เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าวันนะอื่นเข้าไปเนี่ยอีกอ่านึงหลบเลยวันน้าต่าโดยเฉพาะหลบเลยตะโปทารามอย่างเงี้ยเวลาจะอาบน้ำแรกกนะันเป็ น, น้ําพุร้อนนะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาชั้นล่างสุดนะพวกชั้นทานพวกโซด์เนี่ยดำปี๋เลยนะ้ำมีแฟบมีสบู่มีงผงซักฟอกนะเป็นฟองฟอดเลยนะ ก็อาบกันหน้าตาเฉยและยอมรับสภาพมันเป็นชนชั้นเป็นวันนะกันนั่นหมายถึงอินเดียแต่ของเราก็หมายถึงว่าเขาดีกว่าเราเราแย่กับเขาเราเสมอเขาเขาเสมอเราเราดีกว่าเขาเขาแย่กว่าเราแต่พอเราฝึกความรู้สึกตัวแล้วมันเสมอภาคกันจริงๆมันมีขันห้าเหมือนกันแหละ แก่เจ็บตายเหมือนกันเป้าหมายปลายทางชีวิตเวลาผ่านไปแต่และ ว, วินาทีใกล้ความตายไปทุกๆคนไนะเราก็จึงประมาทกันไม่ได้เลยล่ะจิตก็คิดคิดคิดิ ด, ด, ดเป็นพบเป็นชาติเป็นพบเป็นชาติจลามรณนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ดบถ้าเราไม่ได้หันมาดูตัวเองจะไม่ได้เห็นความจริงเลยจะเป็นคนหลงโลกมืดบอดมามืดไปมืดมาสว่างไปมืด มันไม่ใช่มาสว่างไปสว่างเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายนะใช้เวลาที่เหลืออยู่เกิดกําไรชีวิตอย่างสูงสุดเก็หมายถึงว่าได้คําตอบจริงๆของชีวิตคําตอบก็คือสรรพสัตว์สรรพสิ่งล้วนเป็นสิ่งเดียวกันนะะมันไม่มีอะไรเหนือกว่าอะไรหรอกแต่ความคิดของเรามันจะไปให้ค่าอะไรเหนือกว่าอะไรอะไรดีกว่าอะไรอะไรไม่ดีกว่าอะไร แต่ในความรู้สึกตัวมันมีเหตุมีผลแบบนั้นแล้มันจะเลือกเป็นที่มันเลือกว่ามีเหตุปัจจัยที่ต้องทําก็คือหน้าที่นั่นแหละหน้าที่ที่มันอยู่ตรงหน้าเราจึางจะทําอะไรก็ได้บางทีอาจจะสูงสุดสูดสามันก็คือไปทํางานที่มันต่ําที่สุดไม่มีใครก็ทํากันเข้าซีใสยันก็เ ข, ขย่าเขย่างก็หยิบโยงเราก็แอบทำก็ได้ ความเป็นสิ่งที่ดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกนะเปลี่ยนความสโครกเป็นความสะอาดความเมื่อเป็นความสว่างนะมันจะเกิดไหวพิป ฏ, ฏิพาณขึ้นมานะการใช้ชีวิตแต่ละก้าวแต่ละขณะนี้มีความหมายมากๆพ่อแม่ก็จะทําหน้าที่พ่อแม่กับลูกนะลูกก็จะทําหน้าที่ลูกกับพ่อแม่เนะนะพื่อนก็นจะทําหน้าที่ที่ดีกับเพื่อนนะเป็นกระแลมิตรไม่พาไปทางที่เสื่อม ไม่เป็นมิดปอกลอกมิดกระล่อนมิตรเทียมมิดบาปไม่มีเราก็จะจริงใจกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นมีกายเรารักกายเราฉันใดเรารักกายของผู้อื่นฉันนะั้นมีจิตมีใจเรารักจิตใจของเราอย่างไร ено. เราก็รักจิตใจของผู้อื่นอย่างนั้นเราสงสารตัวเอ ง, องไงเราก็สงสารกับผู้อื่นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นที่เราเราดูแลตัวเองเป็นก็นดูแลคนอื่นเป็นนะ ของตนของคนคองงานเราทำเป็นจริงๆตอนนี้เรานั่งอยู่นะมีวัยพรหมจรรย์อยู่หนึ่งถึงสาสิปีมีวัยครือหัดอยู่สาสิถึงห้าสิปีมีวัยวานประหลัดอยู่ห้ถึงเจ็ดสิปีเรามีวัยสัญญาศีอยู่ก็คือเจดสิบถึงเก้าสิปีแต่ละวัยแต่ละวัยแต่ละวนะัยมีหน้าที่ วัยปรมาจารย์ก็ต้องมหน้าที่อย่างเดียวคือศึกษาหาความรู้ไปหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่แล้วเป็นหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้เรียนถูกก็ต้องเรียนเรียนผิดก็ต้องเรียนแต่ท้ายสุดต้องเลือกให้เป็นมีกรรมมีวิบากรออยู่ทําดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วผลเหมือนล้อเวียนหมุนเดินตามรอยเท้าโคชนนั้นมันหมุนไปหมุนไปหมุนไป โคเดินก้าวแต่ละก้าวล้อก็หมุนไปแต่ละขนาดทั้งนั้นก็ตามไปด้วยทําดีดีก็ตามทําชั่วชั่วก็ตามเพราะมันสะสมทีเดียวจิตใจของเรารอยบุญรอยบาปลอยรักรอยแค้นรอยดีรอยชั่วรอยได้รอยเสียมาทับลงไปแล้วจะทำยังไงเมื่อมันเป็นรอยบางทีรอยลอยมีดกรีดอยู่บนหินตายก็ไม่ลืมอาฆ่าแค้นพยาบาท ไปรู้จะไปทิศทางไหนมืดมืดบอดไปเลยจิตแบบนีน้บางทีก็มีรอยมีดกีดบนดินคื อ, อ, อให้เวลาเขาหน่อยให้ค่อยๆเรียนรู้ไปพอเวลาผ่านไปก็คิดได้เองเปลี่ยนได้เองลบรอยแผลที่มีอยู่ในจิตใจบางทีเด็กบางคนมีรอยนะยังอรรมารนีชเคิมีรอยนะที่เกลียดที่สุดในวิชาคณิตศาสตร์เห็นหน้าครูเนีย เลียดเกียนจำชื่อแม่นไม่ลืมเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลืมอะไรกันแค่เราคิดนานนิดเดียวนะเอาหลังมือมาตีหลังอักตุกเลยแต่ตอนหลังเห็นแล้วเรามีความสึเออวัดลอยคูเหมือนกันที่วัดลอยคูเพราะว่าคูเคยตีเราแล้วเราไม่สามารถเอาคืนได้ ตอนหลังเราแข่งต่างฐานะเลยครูยังต้องต่อยอยู่เหมือนเดิมแต่เราเนี่ยขับรถเฉี่ยวปาดหน้าไปไล่เคยทำพฤติกรรมอย่างนั้นไนมพอมันเป็นรอยขึ้นมาแล้วมันแค้นมากเนอะอย่าให้จำเดี๋ยวนะตามกัดเลยแหละนแต่มันเปลี่ยนไปหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าอ๋อมันไม่ใช่เราแค้นผูกอาฆาตปฏิบัติจองเวรแต่ท้ายสุดก็คือเราทุกเองเราเห็นแลว้วโอ้มันเกิดอาการเกร็งหายใจไม่ทั่วท้อง มันต้องแสดงออกทางอารมณ์ระบายออกไปนะบางคนก็ไม่รู้ยังไงเหนื่อยก็ต้องรับผลไปด้วยกับนะการระบายออกของเราเราเหมือนกับลูกระเบิดวัตถรุระเบิดระเบิดตัวเองก่อนนะเราสิ้นเนื้อป่าตัวทําลายตัวเองและท้ายสุดสะเก็ดเล็กๆน้อยๆก็ไปโดนคนอื่นเขาแต่ที่กันก็คือเราหมดลนะคุณธรรมความดีความงามไยในจิตใจของเรานะ เมล็ดพุทธะที่มันเป็นหน อ, องโพธินะจะได้เกิดขึ้นมามันหายไปตอนหลังเลยรู้จักให้อภัยคนไม่เป็นไรยิ่งมาฝึกรู้สึกตัวนี่ดีดีพบนี้นี่ปิดประตูไปเลยควรจะไม่ภัยเพราะเราแน่นอนแต่เราอาจจะมีภัยเพราะควรเราจะใช้ปัญญาเอารู้หลบเป็นปีกรู้หลีก เ, เป็นหางเอารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางมันมีอยู่จริงๆ อันนี้เรียกว่าไหวพิปฏิพา น, น, นเรียกว่าปัญญาหรือว่ายานของปัญญาที่จะขนส่งเปลี่ยนร้ายกาเป็นดีเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ตรงนี้พบชาติกันในพู้ง่ายคือเปลี่ยนลูกไฟเปลี่ยนลูกธ น, นูหอกที่มันทิ่มแทงเป็นดอกไม้อันสวยงามเพราะฉะนั้นปฏิปธรรมเราจะเห็นเลยนะการแก่การเจ็บการตายของร่างกายเรานะ การเปลี่ยนแปลงการแก้ทุกข์ของเขานะนะมันสอนให้เราฉลาดนะมันเป็นดอกไม้ของภาริยะนะการแก่การเจ็บการตายเป็นดอกไม้ของภาริยะนะการพัดพาจากของรักของชอบใจนะความไม่สบายกายไม่สบายใจนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะมันเป็นความทุกขนะ์มีเด็กอยู่คนหนึ่งเนะมื่อคืนก็โทรมากขาบอกเขารวม เพื่อนๆ อ, อยากจะมาหาหลวงพ่อปฏิบัติธรรมกันจะพามาวันที่ยี่สิบเดือนหน้าตอนนี้วางแผนกันไหมตอนนี้รวบรวมเพื่อนทำบุญเก้าวัดเป็นเด็กเกมากๆเลยกลุ่มนี้เกย์ถึงพิกถึงขิงด้วยทำความเรียกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจให้ญาตาิพี่น้องพ่อแม่มากๆก็คโนรอบตัว มาที่นี่ก็สร้างวิลกรรมไม่พอสมควรเวลามาแต่ลทีต่ลทีือจะเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองนะเมื่อหลายวันก่อนโกรดน้องน้องอายุประมาณ14นะพี่อายุ16น้องอยู่กับพี่ที่คอนโดว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้ไม่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านว่าลูกมันโหยิ่งใหญ่มากเป็นประเภทมหาราชา เป็นลูกเกินพ่อเกินแม่เลี้ยงแบบกระาชาพระราชาไทายสุกหลงหลงตัวเองก็เลยซื้อคอนโดนะเรียกว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยให้อยู่หลายล้านบาทห้องหนึ่งอยู่กับน้องสองคนก็คุยตามภาษาเด็กๆพี่ๆน้องๆใบรุ่นมีความรักน้องมาชอบเพื่อนของพี่คนหนึ่ง และเพื่อนของพี่นนี้ก็ไปเรียนเมืองนอกอยู่ชั้นมอหมหไเป็นเรียนต่อ mm hmm. ท <t <t ี่เมืองนอกต้องลดดีกรีเกรดของเร่องลงมาไปเรียนชั้นมสต่ต่อไฮสคูลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาน้องก็แซวพี่ว่าพี่อย่างพี่น่ะไม่มีใครเอาหรอกไปรุ่นก็คุยกันนะ สงสัยจะขึ้นคานแน่เลยเลยที่ทุกวันนี้ที่ไปไหนกับย่าก็เพราะว่าต้องใช้หนี้ย่าใช่ไหมตัวเองไปก่อนนี้ไว้ก็คือช่วงปิดเทอมก็ไปยืมตังย่าหกแสนบาทขอยืมก่อนได้ยจะทำงานใช้หนี้เด็กกล้า ย, ยืมย่านะเป็นแสนเป็นล้านนะและย่าก็ให้ซะด้วย เอาไปซื้อแหวนเพชรมาสองวงที่ไดมอนด์ห้าง ส, สินค้าจะขอไปมั่นผู้ชายเพื่อจะไปชดน้องว่าพี่ก็มีนะคู่มั่นอะไรอนยะ่างเงี้ยเด็กเดนี้ก็เล่นกันอย่างนี้นะเสร็จแล้วไปซื้อมาเสร็จก็เอาแหวนนะมาอวดน้องเนี่ยเราแหวนมั่นเดี๋ยวพี่จะไปวันมั่นคนที่ชื่อจุดจุดจุดจุดเนี่ย ก็คือคนที่น้องรักนะี่ยดีไปมั่นมันนะเขาเล่นกันอย่างนี้นะเราก็เลยเห็นว่าโอ้เด็กเดี่ยวนี้นะคนเดี่ยวนี้วิธีคิดมันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่าพอเราเข้าใจความคิดของเราโอ้ความคิดเนี่ยมันมีพลังมีอานาจเนื่องจากนะเราไม่เคยรู้สึกตัวไม่เคยฝึกสติถ้าเราฝึกสติปัญหาล้วก็จะเห็นแล้วว่าเออบางทีเนี่ยเราก็คิดแบบเด็กๆนั่นแหละทุกคน วิธีคิดนะที่เผลอคิดหลงคิดไปเนะี่ยตัวหลงเหมือนกันตัวคิดเนะี่เหมือนกันแต่การปรุงแต่งเรื่องราวและต่างกันตามวัยวุฒิคุณวุฒินะนะวุฒิภาวะต่างๆเราเจออะไรมาเราก็จะสนใจใส่ใ จ, ใจนะแล้วท้ายสุดก็คือหลงพระเสพจึงติดเพรติดจึงอยากเพราอยากจึงเสพเสพจึงติดเพรติดจึงอยากติดอะไรมา เฟซบุ Facebook, Internet, นะ๊กอินเทอร์เน็ตยาเสพติดสิ่งเสพติดเหล่าบุหรี่กัญชามอร์ฟีนยาบ้าโคเคนิตอรไรรูปเลสรูปรดแสงสีกินเสียงต่างๆางมันก็จะมีอมนาจแต่ถ้านเะสือมเป็นวัฏฏะสงสาร เพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงอยากก็อยากจึงเสพเพราะเสพจึงติดเป็นวัตถุกรามคุณนะฮะเราก็จึงนะเนี่ยละมาใส่ความรู้สึกตัวลงไปกับการเคลื่อนการไหวนะเพื่อที่จะได้ถอดจำนวนนะถอดจำนวนออกซะการต่อเชื่อมความไม่รู้ไปสู่ความทุกข์เนะี่ยถอดจำนวนเป็นรู้นะเป็นจำนวนซะจำนวนไม่ต้องต่อ รู้แล้วไม่ต้องทุกข์รู้แล้วเป็นปัญญารู้แล้วก็เป็นนิพพานไม่รู้ก็เป็นอันตภานรู้ก็เป็นนิพพานไม่รู้ก็เป็นอันธภานเมื่อเป็นอันธภานแล้วทำให้คาอื่นทุกข์ได้จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนทำให้เองทุกข์ก็ได้เกิดอันตรายเกิดพิษเกิดภยัยเกิดโทษขึ้นมามากมายลักเกินบางทีเดินรถชนตายก็ได้เดินตกหลุมตกล่อง ไม้ทิ่มไม้ตำก็ได้ไม้กระแทกก็ได้ถึงแก่ชีวิตนก็มีบางคนวัยรุ่นก็มีแฟนก็ไปเที่ยวบ้านแฟนกกลางคืนก็ปวดปัสสาวะาลุกกันเดินท้ายจุดท้ายสุดชนเสาตายชนจนเสาตายเช้าตื่นมาเป็นศพ ส, สะแล้วมีเด็กบางคนอาจารย์ให้เรียน วิทยาศาสตร์เคมีมีการทดลองผสมน้ำกรดเอาไว้วางเอาไว้ไม่ถูกที่นะเก็บไม่มิดชิดแม่ไม่เห็นวางอยู่ที่ตู้เย็นนี่ทำไมลูกเราสะเพรา้าเอาน้ำมาวางไว้นอกตู้เย็นก็เลยเก็บใส่ไว้ให้ในตู้เย็นคนที่ผสมบอลลงนขึ้นจะไปโรงเรียนเนี่ยปรากฏวังคืน นอนแล้วก็หายน้ำอย่างมากก็จึงไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบขวดนั้นมาเดิมกินไท้ยสุก็ตายน้ำกรดนะก็เป็นข่าวมาแล้วเงี้ยบางทนะีเด็กบางคนช่วงวันหยุดไปเล่นของเล่นนะที่มันเล้าใจมันหวาดเสียวไท้ายุก็ตายสังเวชชีวิตไปก็มี เ, เช่นไพ่เฟอร์สเต็ดไงไปเล่นถังเบียร์ก็ยืนปดเข็มขัดเซติเบล ทังเบียร์ก็หล่นใส่แล้วก็ตายสารพัดบางคนก็ขับรถซิ่งบนท้องตอนนอนก็เกิดอุบัติเหตุเกิดความเดือดร้อนความทุกข์มากมายเพรา ะ, ะนั้นเราอยู่สถานที่แบบนี้ถือว่าปลอดภัยเป็นสถานที่ทีนะ่เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะมีการเดินจงกรมมีการนั่งสร้างจังหวะเอาไว้หลายคนทำสิ่งเดียวกันนะไม่ว่าจะไวัยไหนก็ตาม ความรู้สึกตัวไม่มีเพศนะไม่มีเวลานะรู้สึกเมื่อใดก็เป็นของของคุณนั้นเป็นปกติธรรมนะชีวิตนะจะเกิดสรรที่สุขสนธิภาพมีกายนะเราก็จะเกี่ยวข้องกับกายอย่างถูกต้องมีจิตมีใจนะเราจะเกี่ยวข้องกับจิตใจอย่างถูกต้องพร้อมแก่พร้อมเจ็บพร้อมตายนะพร้อมที่จะนะรู้เท่ารู้ทันความคิดจิบความคิ ด, ค ด, คดมาใช้เป็นเหตุเป็นผล เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านะเกิดสันติสุขสันตภาพต่อไปเพราะฉนะะนั้นการไปทำเนีนะ่เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะจุดปฏิบัติอยู่ตรงนี้นะเห็นกายตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องเห็นจิตใจตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องให้ถูกต้องเจตนาคิดก็คิดลงไปนะมีเหตุมีผลลงไปนะแต่เวลาไม่ได้เจตนาคิดอันนี้ก็หยุดะใจนะ ความคิดไม่ต้องเกิดขึ้นมาก็ได้หรือเกิดขึ้นมาเรารู้เท่ารู้ทันนะมันก็จะไม่เกิดทุกข์เกิดโทษอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ทุกข์เพราะความคิดนะคิดแล้วโกรธคิดแล้วกังวลคิดแล้วขี้น้อยใจคิดแล้วขี้เบื่อคิดแล้วก็เสงคิดแล้วว้าเวคิดแล้วก็โลภก็โกรธก็หลงคิดแล้วฉาลิษยาถ้เรามีสติมันก็จะคิดเปลี่ยนไปคิดแล้วก็นะเกิดอนุโมทนาคิดแล้วเกิดการให้อภัยกัน คิดขึ้นมาคิดเป็นสองมุมคิดเป็นหลายมุมเกิดเยอนิสโตรมติการคิดอย่างแยบคายทย้ายสุขชง่งน้ำหนักเราจะเลือกไหมนะความทุกข์เราก็คงไม่เอามันเสียวเวลาชีวิตจริงๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเดยวชานี้อาตมาก็ขออนุญาตเดินทางนะพวกเราก็อยู่กันให้มีความสุขเนะจริญสติกันเหนะมือนพี่เหมือนน้องถ้อยทีถ้อ ย, อ ย, อ ย, อยอใจใัยกันนะอย่าหาเรื่องจับผิดเพ่งโทษ มองอนนนคนนั้นคนน ون, นะี้ก็โน้นไปจัดระเบียบสังคมไม่ต้องเพรามจะเกิดความอัปรีและก็จัดลยในตัวเรานะเราไม่เดินไปทิศทางนั้นกันนะเพราะฉะนั้นคนที่มานะจะทำดีอย่างไรก็ตามช่วยงานวัดวารามหรือว่าคนที่มาตั้งใจนะประพฤติธรรมเพื่อเกิดจิตใจที่เป็นพรบัญญัติก็ขอใหนะ้การทำดีของเราทั้งหลายนั้น การประพฤติปรมจันของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นใบเพื่อการทำที่สุดแห่งของทุกโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเถิด